เพราะฉะนั้นถ้าถือตามวันนี้วันมรณภาพครบรอบ100ปีก็จะต้องเป็นวันที่22มิถุนายนสองห่ส่วนที่หลวงพ่อสมเด็จบอกในวันที่เข้าส่งนั้นวันที่หลวงพ่อสมเด็จมรณภาพก็จะต้องเป็นวันที่14กันยายน2415ซึ่งนับว่าผิดกันหลายเดือนปัญหาจึงมีว่าวันมรณภาพครบรอบ100ปีของหลวงพ่อสมเด็จ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 หลวงพ่อรู้ได้อย่างไรว่าหลวงพ่อมรณภาพในวันที่14กันยายนท่านได้ตอบว่าครั้งแรกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าท่านมรณภาพในวันไหนแต่หลังจากที่ท่านมรณภาพมามีชีวิตเป็นโอปปาติกะแล้วเห็นคนทั้งหลายที่นับถือท่านพอถึงวันที่ส4กันยายนหรือวันแรมสิบห้าข้ามเดือนสิบทีไรก็พากันทาบุญครบรอบปีเพราะเหตุเนี้ย